ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องความเป็นของคู่คือมีผู้ปฏิบัติธรรมหลายท่านได้มาถามว่าทำไมเวลาเรามีความพอใจหรือความไม่พอใจเราทำไมจึงไม่รู้ตัวเลยเราทำไมยังมองไม่ออกเลยว่าเราพอใจแล้วเราไม่พอใจแล้ว หรือมีความแอบพอใจหรือแอบไม่พอใจอยู่ในใจอย่างไรทําไมเราจึงมองไม่ออกไม่เห็นเหมือนกับความคิดและอารมณ์ยังพอมองออกว่ามันมีอาการที่แสดงหรือปรากฏให้เห็นตรงนี้ที่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะความพอใจและความไม่พอใจที่แอบซ่อนเล่นอยู่ในใจนั้นจะไม่แสดงอาการปรากฏออกมาไม่เหมือนให้เห็นเหมือนกับความคิดและอารมณ์ต่างๆที่เราสามารถที่จะพอสังเกตออกได้ แต่ความพอใจหรือความไม่พอใจนั้นที่แอบแฝงซ่อนเล่นอยู่ในใจหรือเรียกว่าแอบพอใจหรือแอบไม่พอใจอยู่ในใจนั้นจะไม่ปรากฏออกมาเลยทำให้เราไม่รู้ว่าเรามีความแอบพึงพอใจหรือแอบไม่พึงพอใจอยู่ในใจเราจึงใช้คำว่าแอบอยู่ในใจแต่เราก็พอจะสามารถที่จะสังเกตออกว่ากรณีต่างๆเหล่านี้คือแอบ พึงพอใจหรือแอบไม่พึงพอใจอยู่ในใจแล้วเช่นอาการต่างๆหรือสภาวะต่างๆหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางร่างกายและทางจิตใจที่เรารู้สึกว่ามันดีจังเลยพอ้ตรงนี้ถูกต้องแล้วตรงนี้ใช่แล้วหรือตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ดีจังเลยโอตรงนี้ไม่ดีหรือตรงนี้ใช่เลยหรือ สภาว่าอย่างนี้ไม่ใช่เลยคือยังมีถูกมีผิดมีเหตุมีผลมีบุญมีบาปมีกุศลอนกุศลมีใช่ไม่ใช่มีถูกใจไม่ถูกใจมีน้อยมีมากมีหนักมีเบามีว่างมีไม่ว่างมีสบายมีไม่สบายอย่างนี้เรียกว่ามีของคู่คือยังมีของคู่กันอยู่เราจะต้องไม่ติดเข้าไป ในสิ่งที่เป็นของคู่เหล่านี้รับรู้ด้วยใจเป็นกลางว่าอุเบกขาเช่นโอ้โหขณะนี้เรามีความคิดน้อยจังกรณีอย่างนี้ก็ เ, เท่ากับแอบบมีความพึงพอใจแอบบชอบใจสภาวะที่มีความคิดน้อยซึ่งจะสังเกตให้ดีหรือพิจารณาให้ดีๆในขณะที่แอ บ, บพึงพอใจ แอบจิตใจยินดีสภาวะที่มีความคิดน้อยนั้นก็มีความซ่อนเล้นแอบไม่พึงพอใจแอบไม่ชอบใจในช่วงขณะที่มีความคิดมากซึ่งความพอใจและความไม่พอใจนั้นจะติดกันทันทีในขณะนั้นคือขณะนั้นถ้ามีความพึงพอใจอย่างใดไว้ก็จะต้องแอบไม่พึงพอใจอีกอย่างหนึ่งไว้ทันที หรือท่านในขณะนั้นแอ บ, บไม่พอใจสิ่งใดไว้ก็จะต้องเกิดความแอ บ, บพึงพอใจสิ่งที่เป็นฝั่งตรงกันข้ามไว้ในขณะนั้นเองเลยไม่ใช่เกิดขึ้นผลละขณะเช่นรู้สึกว่าโอ้ตอนนี้ใจสบายจังก็เท่ากับแอ บ, บพึงพอใจแอบตบิดใจ ย, ยินดีสภาวะที่ใจสบายอาการที่ใจสบายในขณะนั้ น, น, น และในขณะเดียวกันนั่นเองก็จะต้องแอบไม่พึงพอใจแอบไม่ชอบใจสภาวะต่างๆที่ทำให้ใจไม่สบายเช่นความรู้สึกหนักทึบตื้อไม่โปรง่งไม่โลง่งไม่เบาถ้าในขณะใดเกิดความรู้สึกเบาสบายว่างโปร่งโลง่โลง มีปิติมีสุขมีอเวคาและแอบพึงพอใจแอบชอบใจแอบติดใจยินดีว่าเออตอนนี้เราเป็นปิตินะตอนนี้เรามีปิตินะตอนนี้เรามีอาการสุขตอนนี้เรามีเอกรคตาจิตหรือจิตอารมณ์เป็น1ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็เท่ากับมีความแอบพึงพอใจแอบพอใจสภาวะหรืออาการ หรือปรากฏการที่เกิดขึ้นทางกายและใจในขณะนั้นๆแล้วซึ่งก็แน่นอนจะต้องมีความแอบไม่ปึงพอใจสภาพวาที่ตรงกันข้ามนั้นในทันทีหรือับในขณะที่จิตมีความสงบดีมากมีความตั้งมั่นมากมีสติชัดเจนดีหรือมีปัญญารู้ธรรมแจ่มแจ้ง หรือรู้สึกเป็นปัสสติคือมีความสงบระงับจากความเล่าร้อนใดๆรู้รู้สึกเงียบสงัดสงบไปหมดทั้งไปในและวไป น, นอกแล้วรู้สึกว่าเออตอนนี้รู้สึกว่าดูดีไปหมดหรู้รู้สึกว่าสงบดีรู้รู้สึกว่าใจเราเป็นสมาธิดีรู้รู้สึกว่าใจเรารู้สึกว่าไม่เล่าร้อนเป็นปัสสติดีหรือรู้สึกว่า สติเราชัดเจนดีปัญญาเราชัดเจนดีหรือรู้สึกว่าตอนนี้เรารู้แจ้งในธรรมดีรู้สึกธรรมปรากฏชัดเจนดีมากเราคงจะบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วอย่างแน่แท้กรณีอย่างนี้เท่ากับแอบพึงพอใจแอบบชอบใจไว้ในใจอยู่แล้วในขณะนั้นนั้นซึ่งก็แน่นอนละจะต้องแอ บ, บไม่พอใจสภาวะที่ใจไม่สงบ ใจไม่เป็นสมาธิใจไม่เป็นสติที่ชัดเจนไม่เป็นปัญญาที่ชัดเจนไม่รู้ธรรมที่ชัดเจนไม่ปรากฏธรรมที่ชัดเจนเมื่อมีความแอบชอบใจไว้ก็ต้องมีความแอบไม่ชอบใจไว้ในขณะเดียวกันดังนั้นขณะใดถ้าเกิดสภาวะหรือเกิดอาการหรือเกิดปรากฏการหรือเกิดปฏิญาทางใจหรือทางกายที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับทิ่กล่าวมาแล้วก็จะเกิดความไม่พอใจทันทีเพราะ เราแอบชอบใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วกรณีหลังนี้ท่านกล่าวว่าเป็นวิปัสณูปกิเลสคือมีความหลงในการปฏิบัติเมื่อเกิดความพึงพอใจหรือความไม่ถึงพอใจแอบแฝงแอบซ่อนเล่นอยู่ในใจนั้นจะนริยาแรกๆจะมองไม่ออกสังเกตไม่ได้ไม่รู้ตัวไม่รู้เท่าทันจนกระทั่งจะปรากฏผลออกมาทางร่างกายหรือทางอารมณ์ให้จับความรู้สึกได้เช่น ในขณะที่เบาหรือว่างหรือโปร่งหรือโล่งหรือสบายและแอบพึงพอใจไว้ในใจนั้นสักคู่หนึ่งสภาวะที่โปร่งโล่งเบาสบายหรือว่างๆที่มีความแอบแสงเข้าไปพึงพอใจนั้นก็จะเกิดอารมณ์หรือเกิดความรู้สึกที่หนักหนักทึบตื้อเป็นทุกเวทนาหรือเป็นทุกข์ที่เกิดจากการยึดถือเข้ามาทันทีโดยเบาหรือว่างหรือโปร่งหรือโล่งไม่นานก็จะ กลับมาทึบมาตือ้อมาแน่นมาอึดอัดทันทีเพราะเมื่อเกิดอาการไม่โปร่ไม่โล ไ, ไม่เบาวสบายทึบอึดอัดตื้อๆแน่นๆก็จะเกิดความรู้สึกไม่พอใจทันทีเมื่อเกิดความรู้สึกไม่พอใจทันทีก็รู้สึกเป็นทุกข์จิตใจก็จะมีความดินน้นรนที่จะออกจากอาการเหล่านั้นที่จะออกจากสภาวะเหล่านั้นมีการดิ้นรนผลักใส ก็จะมีความทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลากับการที่หล่นผักสสยอาการที่ไม่ชอบใจหรือปฏิกิริยาทางใจหรือปฏิกิริยาทางกายหรืออาการทางกายที่ไม่ชอบใจ น, นั้นที่ไม่ถูกใจนั้นตอบได้ที่ปริยาอาการหรืออาการทางกายหรืออาการทางใจที่ไม่ชอบใจ น, นั้น <neighborhood> เช่นความไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบายรู้สึกอัดทึบตื้อแน่นๆอยู่ภายในยังไม่หายไปก็จะมีความทุกข์ใจอย่างมาก ซึ่งเกิดมาจากความดิ้นรนผักไสซึ่งเป็นตัณหานั่นเองความดิ้นรนทะยานอยากซึ่งเป็นตัณหาซึ่งอยากให้สภาวะหรืออาการหรือปฏิกิริยาเหล่านั้นหายไปหรือดับไปจากกายหรือดับไปจากใจเมื่อเกิดตัณหาจึงทำให้เกิดทุกข์เพราะตัณหาเป็นสมุ ท, ทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความทุกข์ใจความไม่สบายใจเกี่ยวกับอาการเหล่านั้นหรือปริยาเหล่านั้นจะดับไปได้ต่อเมื่อตัณหานั้นดับไปไม่ใช่เราเข้าใจผิดว่าอาการเหล่านั้นหรือปฏิกิริยาเหล่านั้นที่ไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายไม่ว่างเปล่านั้นต้องหายไปซะก่อนเราจึงรู้สึกเป็นสุขได้กรณีอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดเพราะอาการเหล่านั้นที่ไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายนั้น ไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจแต่ต้นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจเกิดจากตัญหาคือความดิดลรนพยานาอยากให้อาการเหล่านั้นปัิจัยเหล่านั้นหรืออาการทางกายหรืออาการทางใจเหล่านั้นหายไปหรือดับไปจากทางร่างกายและทางจิตใจนั่นเองที่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์เราจะดับทุกข์ทางใจก็ต้องดับตัญหาซึ่งเป็นสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือดับ ความอยากความเล่าล้อนิรนทักษาที่จะให้อาการหรือปฏิยาทางกายหรือทางใจเหล่านั้นที่ไม่ชอบใจที่ไม่พอใจให้หายไปหรือดับความแอบพอใจแอบไม่พอใจอาการเหล่านั้นเสียหรือปฏิยาทางกายและทางใจเหล่านั stems, ้นเสียการจะดับความพอใจหรือความไม่พอใจที่แอบซ่อนเล่นอยู่ในใจในพฤติกรรมหรืออาการใดๆหรือปฏิกิริยาใดๆทั้งร่างกายและทางจิตใจนั้นต้องไปผู้ที่สังเกตให้ดีๆ ว่ากรณีอย่างนี้อ๋อเราแอบพอใจหรือแอบไม่พอใจอยู่ในใจแล้วจะสังเกตได้จากการที่มีของคู่มีเหตุมีผลมีดีมีชั่วมีบุญมีบาบมีใช่เลยมีไม่ใช่เลยมีถูกต้องมีไม่ถูกต้องเช่นกรณีที่ใจเบาสบายใจสว่างใจสงบใจว่างแล้วเกิดความรู้สึกว่า โอ้ตรงนี้ใช่เลยตรงนี้ถูกต้องเลยอย่างนี้เท่ากับติดแอบมีความพึงพอใจในขณะนั้นแล้วถ้ามีความแอบพึงพอใจในขณะนั้นก็จะมีความแอบไม่พึงพอใจในสภาวะที่เป็นตรงกันข้ามนั้นทันทีครั้งต่อไปเราก็สังเกตใจให้ออกตอนเมื่อใดเกิดความรู้สึก ที่โปรง่งที่โลง่งที่เบาที่สบายที่ว่างที่สงบที่มีสติตั้งมัน่นมีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญารู้แจ้งในธรรมดีชัดเจนดีก็ให้สักแต่ว่ารู้ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาในขณะสภาวะธรรมนั้นในขณะจิตนั้ น, น, นซึ่งก็เป็นอนิจจังตุกังอนัตตา เดียวสภาวะทำนั้นๆหรือขณะจิตนั้นๆก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่เที่ยงไม่อาจคงทนอย่างนั้นตลอดไปเป็นทุกครั้งและเป็นอนัตตาคือไม่าอาจเข้าไปบังคับให้มีสภาวะอย่างนั้นเป็นสภาวะเดียวได้ตลอดไปเขาก็จะต้องเปลี่ยนไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งเป็นอนิจจังทุก ข, ขั้งอนัตตาไม่มีใครเข้าไป บ, งบังคับให้เขเป็นอยู่สภาวะเดียวได้โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ มาเกิดสภาวะใดเกิดอาการใดทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจก็ให้รับรู้อยู่เฉยๆรับรู้ด้วยใจเป็นกลางวางอุเบกขาไม่แอบเข้าไปพอใจไม่แอบเข้าไปไม่พอใจรับรู้อยู่ตามความเป็นจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าเป็นธรรมชาติของความจริงในขณะนั้นๆแต่ก็มีบางท่านฟังแล้วก็นาไปปฏิบัติผิดก็ใจผิดอีก คือเมื refuge, alcanz, <unc> ่อเกิดสภาวะที elijk, ่โปร่งที่โล่งที JP, ่เบาที่สบายที sources, ่ว <etti> ่างที่นิ่งที่สงบก็กลัวว่าหรือวิตกกังวลว่าเดี๋ยวจะแอบเข้าไปพึงพอใจสภาวะเหล่านั้นหรืออาการเหล่านั้นหรือปฏิกิริยาเหล่านั้นรีบทําให้สภาวะเหล่านั้นหรืออาการเหล่านั้นหรือปฏิกิริยาทางร่างกายหรือทางจิตใจเหล่านั้นหายไปเร็วๆหายไปทันทีเพราะกลัวว่าจะเข้าไปจิตสุขกลัวว่าจะแอบเข้าไปพึงพอใจแอบเข้าไปชอบใจสภาวะเหล่านั้น ไปเร่งไปรีบไปผักสสภาวะเหล่านั้นให้หายไปเร็วๆให้ดับไปเร็วๆอย่างนี้ก็เป็นมิจฉาทิฐิคือความเข้าใจผิดเราไม่ใช่ดิดโรนผักไสรีบเร่งให้สภาวะใดหรืออาการใดหรือปฏิกิริยาใดๆทั้งร่างกายและทางจิตใจทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจให้หายไปเร็วๆหรือให้ปรากฏอยู่คือถ้าชอบใจก็อยากให้ปรากฏอยู่อย่างนั้น หรือไม่ชอบใจก็ที่หล่นผักสยอยากหายไปเร็วๆหรือเพราะความกลัวความวิตกคืออาการใดปฏิยาใดที่ชอบใจเช่นโปร่งโล่งเบาสบายมีพิติมีสุขมีเอกขัตาจิตมีสมาธิมีใจสงบตั้งมัน่นก็รีบผักสายรีบดิ้นหลนให้อาการเหล่านั้นหายไปหรือรีบดิ้นหลนที่จะออกจากอาการเหล่านั้นทําความรู้สึกตัวเหมือนกับจะเอาตัวออกจาก เอาตัวเอาใจออกจากอาการเหล่านั้นหรือปฏิกิริยาเหล่านั้นให้เร็วๆซึ่งเป็นความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ถูกต้องนั้นอาการสภาวะหรือปฏิกิริยาใดๆทั้งร่างกายและน่าจิตใจไม่ว่าจะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ไม่เป็นที่น่าพอใจแ่ะเจ้าของก็ตามเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกก็คือความแอบเข้าไปเพื่อพอใจแอบเข้าไปไม่เพื่อพอใจหรือ เกิเป็นตัณหาแอดดิลล์ทายานอยากให้สภาวะหรืออาการหรือปฏิกิริยาใดๆทางร่างกายที่พึงพอใจนั้นให้ตั้งอยู่นานๆหรือไม่อยากให้หายไปหรือถ้าเป็นสภาวะใดหรืออาการหรือปฏิกิริยาใดๆที่ไม่พึงพอใจก็อยากให้หายไปเร็วๆพยายามดิลล์พักสายอยู่ตลอดเวลาความอยากให้ตั้งอยู่หรืออยากให้หายไปซึ่งเป็นตัณหานี่เองเป็น นเหตุหรือเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกอาการใดๆทั้งหลายถึงแม้เขาจะมีอยู่หรือตั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งนั้นถ้าไม่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรต่ออาการเหล่านั้นอาการเหล่านั้นเขาก็ต้องดับไปแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของเขาไปเองตามธรรมชาติของนิจังทุกังอนัตตาลำพังแต่อาการถ้าไม่มีผู้เข้าไปอยากหรือไม่อยาก คือถ้าพอใจก็อยากให้ตั้งอยู่ถ้าไม่พอใจก็อยากให้หายไปความอยากและความไม่อยากนี่เองจึงเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไม่มีความอยากหรือความไม่อยากคงมีแต่อาการอย่างเดียวก็จะไม่มีผู้ทุกข์หรือถ้าไม่มีผู้เข้าไปเสวยอาการเหล่านั้นก็จะไม่มีผู้ทุกข์ดังนั้นล้ำพังแต่อาการที่เกิดขึ้นในใจทั้งหมดหรือเกิดขึ้นทางกายทั้งหมดนั้น จุดไม่ใช่เป็นสมุทยัยหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหาคือความติดลนทยานอยากอยากได้อยากเอาอยากให้ถึงอยากให้เป็นหรือความไม่อยากที่นลนสักสายนั่นเองเป็นสมุทยัยเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์